พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบแปดลำดับที่แปดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2556มีชื่อเรื่องว่าหลักธรรมนำอาเซียนวันนี้เป็นวันที่ส0สิบ พฤศจิกายนพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนของพฤศจิกายนวันพุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันที่หนึ่งธันวาคมแล้วก็อากาศวัดของเรารู้สึกว่าเย็นกว่าทุกวันวันนี้อากาศรู้สึกว่าเย็นลงตั้งแต่เดือนตุลามาถึง วันนี้ก็คิดว่าวันนี้รู้สึกว่าจะเย็นกว่าทุกวันที่ผ่านมาแต่พวกเราอยู่ในชนบทแต่ก็ทราบข่าวทางบ้านเมืองทางกรุงเทพมหานครยุ่งเหยิงวุ่นวายกันถ้าจะแวงว่าแย่งอำนาจก็ใช่จะว่าความเห็นไม่ลงรอยกัน นานาจิตตังนานาทัศนะในกรุงเทพแต่พวกเราอยู่เบื้องนอกบ้านนอกต่ก็เรากได้ยินข่าวทางสื่อต่างๆวิทยุโทรทัศน์พวกเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใครโกงใครกินใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วพวกเราก็ไม่รู้ในรายละเอียด มีแต่ป่ายสีกันไปไป่ายสีกันมาแต่ถึงอย่างไรแต่เขาก็ว่าให้เลือกข้างคนเรามันก็ต้องธรรมดามันก็มีแพ้มีชนะอยู่สองอย่างเราจะไปอยู่เป็นกลางกับคงเสมอกันคงจะยากอยู่แต่ถึงอย่างไงพวกเราให้อยู่ข้างไหนใครก็ตามที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินเนี่ยต้องอยู่ฝ่ายธรรม ฝ่าย ไ, ไหนเป็นธรรมอยู่ฝ่ายนั้นจะไปอยู่ฝ่ายกิเลสกิเลสคือโลภโกรธหลงลาคะโทสะโมหะมีอะไรมีตรโลกไม่ดูหน้าดูหลังไม่ดูซ้ายดูขวาไม่ดูสูงดูต่ำไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักสูงจากต่ำเข้าไม่ได้แต่ถ้าว่าฝ่ายไหนก็ตามถ้าเป็นธรรม ให้เข้าฝ่ายนั้นถ้าหากว่าฝ่ายไหนไม่เป็นธรรมอย่าเข้าอย่าไปเข้าฝ่ายกิเลสถึงจะเป็นฝ่ายชนะเขาก็เถอะการชนะมานั้นชนะแบบไหนทั้งที่เขาให้ชกมวยสาลตัวเองขึ้นไปทั้งกัดทั้งควนทั้งสอกทั้งเขา่าตีเขาชนะ ชนะแบบนั้นแปลว่าชนะไม่เอกันไม่ชนะโดยกฎ ก, ฎกติกาสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันพอเรามีตาสองข้างหูสองข้างใจมีลูกเดียวแต่เราก็ต้องคิดว่าทางไหนเป็นธรรมทางไหนเป็นอธรรมถ้าว่าทางไหนเป็นธรร ม, เ ร, รมเราก็เข้าทางนั้นแหละทางไหนเป็นอะธรรมเราจะไม่เข้าฝ่ายนั้น แต่ว่ามันก็ยากเพราะเราอยู่วงนอกแต่ถึงยังไงเราก็ต้องฟังเอาใจช่วยเอาใจช่วยแต่ถึงยังไงเราอยู่ทางนอกเรามีแต่อธิษฐานจิตเทพเจ้าเราเทวาตั้งหลายผู้ที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตชาติที่ตายไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรมไหนผู้มีฤทธิ์อำนาจ เทพเจ้าเหล่าเทวาพระเจยามเทวาธิราชอำนาจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประพุทธปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเป็นผู้มีศรรมีลมีธรรมก็ขอให้คุ้มครองประเทศชาติชาติไทยของเราให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจะให้ถึงกับนองเลือดฆ่ากันเองลูกหลานพวกเรามีแต่ตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจ ให้ไปนในทางที่ดีให้ไปนในทางที่ถูกต้องอะธรรมยอมแพ้ยอมแพ้ธรรมเป็นธรรมดาแต่บางครั้งก็อะธรรมก็พยองพองตัวเหมือนกันบางทีอะธรรมมากรำน้อยอต้องแพ้อะธรรมเป็นบางครั้งแต่ว่าธรรมถึงจะแพ้ก็เถอะมึงจะมีตะกัวมากมาย เ, เต็มในพื้นแผ่นดินแต่ทองคำมันมีอยู่หน่อยหนึ่งแต่ถึงยังไงทองคำก็ต้องมีคุณค่ายิ่งกว่าตะกั่วนี้ก็เหมือนกันถึงธรรมจะมากมายแต่ว่าธรรมคือความถูกต้องคือเหตุผลนั่นนะคือความถูกต้องความเป็นธรรมนั่นแหละถึงจะน้อยนิด ก็มีคุณค่ายิ่งกว่าอธรรมที่มากมายมหาศาลเพราะนั้นพวกเราจะเอาตะกั่วหรือจะเอาทองคําถึงจะน้อยนิดก็พวกเราก็ปราถนาทองคาไม่ปราถนาตะกั่กวตะกั่วก็ใช้ไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทองคําในมีคุณค่ามากกว่าเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านเนอะ ถึงยังไงยังไงเขามีตั้งกิจอธิษฐานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แนหะเทพีเจ้าเหล่าเทวดาเทวาทั้งหลายฟ้าดินทั้งหลายให้ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองให้เข้าสู่ความสงบเรียบร้อยให้สู่ความสงบปราบรื้นอย่าได้มีอุปสรรคจะไปถึงกับข่ากันเถอะคนไทยเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็หลวงพ่อได้ไปรับ โรงเรียนที่อำเภอสังคมที่หลวงพ่อเล็กกับคณะสัทธยธา ญ, ญาติโยมของท่านได้สร้างให้สาธารณประโยชน์ราคาสี่ล้านเจแสนบาทมั้งที่เขายกป้ายขึ้นเมื่อวานนี้นายแพทย์กเกษมวัฒนาัยองค์มนตรีกับพร้อมกับคุณหญิงมาเป็นประธานแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในอำเภอสังคม หัวหน้าสวนรัศการก็มาร่วมพระทั้งหมดกเกือบเกองค์ก็ไปร่วมสวดมนต์สวดชัยย่มงคลคาถาเพื่อให้เพื่อรับโรงเรียนแต่ว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่จะรับสินหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสินห้าให้คณะสัทธาติาจโจมที่ฟังในวันเมื่อวานนี้แล้วก่อนที่จะรับพร หลวงพ่อก็บอกว่านี่นะเมื่อไม่นานมานี้พวกกลุ่มพ่อค้านายทุนพวกกลุ่มนักธุรกิจอุดรเข้ามาหาหลวงพ่อถ่ายทำวิดีโอว่าพวกเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความร่วมเรียนเป็นสุขนั้นพวกเราจะวางตัวอย่างไรในประชาคม ที่พวกเราจะเข้ามาคนหลากหลายวิชาอาชีพพวกเราจะเข้าไปสู่ประชาคมที่ทํามาค้าขายต่อกันเราจะใช้ธรรมในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนานจะมีบทธรรมบทไหนที่จะทําให้พวกเราอยู่ด้วยกันมีความสื่อสัจจริงต่อกันหลวงพ่อก็ได้บอกว่าสินห้าของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสินคุ้มครองโลก ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันถึงจะมากขนาดไหนก็เถอะไม่คิดฆ่ากันไม่คิดขโมยกันซื่อสัตย์ต่อกันเคารพสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกกันไม่ดื่มสุราให้ขาดสติไม่ส่งเสริมพวกยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงให ดูไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดให้ขาดสติถ้าพวกเราไม่ขาดสติการยับยั้งทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเร า, เาส่งเสริมกันในสุราในยาเสพติดคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายา마ยาอันไหนก็ตามที่ดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วขาดสติ เมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้เพราะขาดสติขาดการยับยัง้งลาลาประร่วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะคนขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รูนะ้รู้ จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ก็ให้ฟังเอาไว้อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีให้หลังและก็คนดื่มสุราเสพยาเสพติดท่านก็บอกว่าคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าเราจะไว้ใจไม่ได้ถ้าเขามีสัตราอาวุธในมื อ, อ, อยิ่งน่ากลัวเพราะเหตุไดเพราะคนขาดสติ ในเมื่อคนขาดจิติและทําความชั่วในทุกอย่างอันนี้ก็คือศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดําบรรพถ้านํามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นศีลที่ร่มเย็นเป็นสุขในยุคนั้นๆในกลุ่มนั้นๆถ้าขาดศีลห้าเข้าไปตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าแล้วก็ไม่น่าไว้ใจกันถึงจะมาประชาคมไหนสมาคมไหนก็เถอะ โลกในยุคสมัยไหนก็เถอะเป็นยุคที่น่ากลัวทั้งนั้นเพราะาอะไรเพราะคนขาดศีลธรรมหลวงพ่อจะพูดให้กลุ่มสามกลุ่มในวันนี้หลวงพ่อบอกหนึ่งกลุ่มศีลห้าอย่างที่อธิบายมากลุ่มที่สองก็คือคราวาธรรมกลุ่มที่สามก็คือทิฏฐกถ้าพวกเราอยู่ในสามกลุ่มนี้ไปอยู่รัสถานที่ใดอยู่ในชุมชนใดอยู่ในยุคสมัยใด มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราหนีออกจากสามกลุ่มนี้มีแต่ความหายยนะถึงจะว่าตัวเองเออมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงก็เถอะ อ, อีกสักวันหนึ่งถ้าขาดศีลธรรมเข้าไปแล้วพวกท่านทั้งหลายจะร้องใหออ้อยู่ภายในใจของพวกท่านทั้งหลายลึกถึงพวกท่านทั้งหลายจะยกย่องว่ามีความสุขก็เถอะเพราะขาดศีลธรรม ในสมกลุ่มนี้กลุ่มที่สองก็คืออะไรคาวัตธรรมธรรมของคารวัตที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ 1. นสัจจะการทํามาค้าขายด้วยกันจะเป็นประทัดเทตลาวกัมกพูชาเวียดนามอะไรก็าตามท้าว่าสิ่งส่งสิ่งของก็ส่งตามสัจจะจ่ายเงินก็จ่ายจ่ายตามสัจจะที่ตกลงกันไว้คือให้มีสัจจะ คือความจริงและจริงใจต่อกันอย่าไปผิดเบี้ยวอย่าไปผิดสัญญ า, าไรสัจจะถึงจะทำทำมาค้าขายและ ก, ก็ดีใหญ่ก็ดีไม่ดีทั้งนั้นถ้าคนขาดสัจจะไม่น่าไว้ใจนี่แหละสัจจะข้อแรกข้อที่สองให้มีธรรมะให้รู้จักขม่มพวกเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันจะต้องให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ เราก็ต้องข่มใจของเราบางทีคนหนึ่งพูดถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเออบางทีก็อารมณ์คนนั้นขึ้นมาเราก็ต้องประคับประคองเพราะเหตุใยเพราะว่าอย่าให้ถูกใจกันทุกครั้งไม่ได้ต้องระมัดระวังให้ข่มใจของตนเองเอาไว้ไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับโผงผางดุดาว่ากล่าวใช้ตามอารมณ์ต่างคนต่างมีอารมณ์ลมใส่กันก็ทําให้ คนในชุมช น, นกลุ่มนั้นคู่นั้นที่มิตรสหายกลุ่มนั้นก็ทำให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นต้องมีการข่มใจข้อที่สให้มีความอดทนขันติคือความอดทนความอดทนคำนี้อดทนต่อความหิวความกระหายอดทนต่อลูกน้องบริวารบางทีเราเป็นเจ้านายเขาลูกน้องบริวารดูถูกเกลียดยามเราเราก็ต้องอดทนบ้าง ไม่ใช่บ้างหรอันหนักทีเดียวถ้าผู้ใหญ่ดูถูกเกียดยามเนี่ยพอยังพอรับไหวถ้ามูคนอยู่ในระดับเดียวกันดูถูกเกียดยามก็ยังพอสู้กันแต่ลูกน้องบริวารที่ต่ำกว่าดูถูกเกียดยามเราเนี่ยโดยนโดยมากจะเป็นการอดทนที่หนักหนักสาหนาสาหัสเพราะคนที่ด้อยกว่าดูถูกเกียดยามฮะนี่แหละก็คือขันติก็ต้องมีความอดทนทุกระดับแล้วก็ข้อที่สี่ จา่าค่ให้มีการเสียสละมีน้ำใจการทำมาค่าขายการอยู่ด้วยกันบางครั้งก็ต้องหย่วนถึงจะไม่ถูกใจเราก็เถอะแต่ถึงยังไงคราวนี้ของข้าค้าวหน้าของเองเอก็ต้องบอกบอกกันต้องรอู้อันนี้ก็คือจา่าค่ต้องมีการเสียสละอันนี้ก็คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือทิศทั้งหกทิศทั้ง6 ทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกเราเกิดขึ้นมาแล้วอันดับแรกเราก็ต้องมองหน้าพ่อหน้าแม่ของเราก่อนเห็นหน้าพ่อแม่ก่อนอันนี้ก็คือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาหรือพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเรามาเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วเราเดินไปในทิศทางสีได้กระโดดไปในทิศทางสีได้พเพราะเรามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถถึงขนาดนี้ มาจากไหนมาจากพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแต่เป็นเด็กถ้าพ่อแม่แม่ไม่เลี้ยงดูเราล่ะเราเกิดคือมาพ่อแม่จับขาวเวียงจะต้นเสาซะตายซะอี่างเราจะเป็นยังไงเราจะได้เกิดมาไหมเราจะเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ไหมไม่เป็นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าการที่พ่อแม่จะฆ่ามีแตงเยอะแยะไปใครจะไปรู้อันนี้พ่อแม่เลี้ยงเราด้วยความทะนุถนอมเลี้ยงเรามาเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านตอบ เมื่อท่านมีอายุมากเมื่อท่านมีอายุแก่ขึ้นมาแล้วท่านช่วยตนเองไม่ได้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บปนนัยก็ตามเรามีกําลังวังชาเรามีทุนทรัพย์เรามีทรัพย์ในหลักธรรมคาสอนเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มลรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน น, นี้คือหน้าที่บุตรธิดาที่ดีบุตรธิดาที่เลวเราก็ไม่ต้องว่ากันบุตรธิดาที่ดีต้องทำตนอย่างนี้ข้อที่สองทิศเบื้องหลังพูดทิศหนี่ยทิศเบื้องหน้าแล้วก็ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาสามีภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่าล่วงรับอธิปไตยซึ่งกันและกันอย่านอกใจกันให้มีความซื่อสัตย์มีความตรงต่อกัน อันนี้คือสามีภรรยาคือทิศเบื้องหลังถ้าสามีภรรยาคู่ใดข้อตามไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแล้วสามีภรรยาคู Jesus, ่นั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้ในครอบครัวอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็คือผู้ที่ให้ความรู้ผู้ให้ความรู้ที่แรกก็คือมารดาบิดานี้ไม่ออกเหมือนกันมารดาเรียกว่าเป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์ให้ความรู้กับปุตรธิดาเป็นคนแรก ให้รู้จักสอนให้รู้จักกินให้รู้จักขับรู้จักถ่ายรู้จักเสื้อผ้ารู้จักเรียกผีป่านาอาพ่อแม่เป็นคนสอนเป็นด่านแรกจากนั้นก็เข้าโรงเรียนอสอนปถมมัธยมปริ ญ, ญาตรีโทเอกไม่มีที่สิ้นสุดในการเรียนจากนั้นก็มีวิชาอาชีพที่สอนให้วิธีเย็บผ้าวิธีขับรถวิธีอะไรต่อเม่อะไรต่างเยอะๆรู้แล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเป็นผู้สอน อย่างหลวงพ่อสอนในพวกเราท่านทั้งหลายนะ่คือครูบาอาจารย์เหมือนกันให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรอันนี้ก็คือเป็นครูบาอาจารย์ทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ให้ความเคารพพวกเราต้องความให้ความเคารพในครูบาอาจารย์ถ้าเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัมด้วยเรียนศิลปะวิทยาอีกถ้าท่านยังมีข้อ อันไหนที่จะสอนเราอีกอ้าวเรายินดีรับฟังในครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนอันนี้คือทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายพวกเราเกิดมาต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตรมีสหายที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีถ้ามีมิตรเลวมิตรเลวคือมิตรยังไงไม่ใช่มิตรดีนะกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีปลาปลามิตรคือมิตรเลวมิตรเลวคืออะไรชวนกันไปค่ายาบ้า ค่ายาฝิ่นเฮโรอีนชวนกันไปป้นชวนกันไปคดไปโกงชวนกันไปทำร้ายทำร้ายคนอื่นเขาอันนี้เ ร, รียกปาปะมิรถ้าเป็นกระยนานมิดแล้วเป็นมิดที่ดีทำยังไงพวกเราจรึงจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการทำมาหาเลี้ยงชีพการทำมาค้าขายต้องการรับสินค้ากันมาเป็นทอดทอดแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันให้มีสัจจะต่อกัน ให้มีธรรมะต่อกันให้มีขันติต่อกันให้มีจากคะต่อกันอันนี้คือการระยะมิตรเกิดมิตรเบื้องซ้ายทิศเบื้องซ้ายมิตรทหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวาร ล, ลูกคนเราจะมีแตเ่เราคนเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องมีลูกน้องต้องมีบริวารการดูแลบริวารดูแลยังไงเมืม่อมีบริวารแล้วก็ต้อง หมู่บริวารของเราเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงไม่สบายใจเรื่องอะไรเราจะแนะนําสั่งสอนบริวารของเราอย่างไรในเมื่อบริวารของเราให้ความครบให้ความจําเกรงให้ความนับถือผู้ที่เป็นหัวหน้าก็อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าลูกน้องบริวารไม่ดีหรือว่าตัวเองไม่ให้ความใส่ใจในบริวารดูแลบริวาร บริวารจะดูแลเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องบริวารก็เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญเกื้อกูลหนุนกันทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องลูกน้องก็นเนี่ยต้องอาศัยหัวหน้าต้องอาศัยผู้มีอํานาจเลี้ยงดูบริวารก็เอาดูแลหัวหน้าเกื้อกูลหนุนกันอันนี้เรา่ววทิศเบื้องต่ําบาวอาต้องมีความสมานสามัคคีกันในในระดับ ทิ่เบื้องบนส ม, มณพราห ม, ม, มณพราหมกก็อย่างหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยอยู่เบื้องบนถ้าหานลูกหลานทําไม่ดีไม่เหมาะไม่สมเข้ามาหาสมณพราหมณมมพราหมกก็ให้คำแนะนำอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรนลูกหลานเนไม่ควรจะทำอย่างนั้นอย่างหลวงพ่อได้พูดว่าเนี่ยมารดาเป็นปิดาเป็นบุพพาจารย์มารดาปิดาเป็นพรหมของบุตร มารดาบิดาเลี้ยงดูลงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบอย่างนี้อันนี้คือสมมณพราหมณ์จะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสิ่งควรไม่ควรให้กับคณะลูกหลานแต่ว่าพวกลูกหลานไม่เคยเข้าไปหาใครมีแต่พยองพองตัวว่าคาเนี่ยแหละเหนือใครทั้งหมดอีกไม่นานเจ๊งได้ไง่ายๆเหมือนกันไม่ยอมฟังคําใครเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเกิดมาในโลกเราต้องอยู่ในทิศทั้ง6ต้องเป็นผู้ศึกษา ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆในเรื่องรอบด้านอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรพวกลูกหลานทั้งหลายคณะพวกเราท่านหลายถ้าอยู่ด้วยกันแล้วนั่นแหละจะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยศิลด้วยธรรมนะถ้าว่าอยู่ด้วยกิเลสโลภโกรดหลงแล้วคณะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นทุกวันเนี่นะใครกขว่า พวกเราได้ยินไหมในสื่อต่งตางๆบางทีอยากจะปิดสื่อไม่อยากจะฟังอีกต่างหากไม่อยากจะฟังก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเ อ, อทางหนีทีไล่ไปยังไงเราก็ต้องได้ฟังแต่ต้องได้ศึกษาแต่จะไปฟั ง, อ ง, ฟ ง, อ ง, ฟงเอามากๆเครียดอีกเหมือนกันนะเครียดตรงนั้นเถ อ, อเครียดกับสั่งสิ่งเหล่านั้นเราต้องรู้จักแย ก, กแยะเรารู้จั ก, จกปล่อยวางเรารู้จักอไหนเหมาะอันไหนควร ควรไม่ควรอย่างไรเราก็ต้องฟังเพราะเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอย่างหลวงพ่อเหมือนกันพระจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมการบ้านการเมืองจะพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นอยู่ได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันเป็นเสาหลักของประเทศชาติเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องดูเออลูกหลาน มันไม่ถูกนะเป็นอย่างเนี้ยอย่างนั้นเนี่แหละศาสนาคือต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปโลภเกินไปนะอย่าไปใช้โทสะจนเกินไปนะอย่าไปใช้ความรุ่มหลงจนเกินไปนะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมตายนะอีกสักวันหนึ่งนะเพราะนั้นก่อนที่จะตายเลยควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้นะเห็นไหม เมืองไทยของเราเมีตโ่โรคมันตายไปกี่คนแล้วกินกินประเทศชาติเท่าไร เ, เราก็น่าจะส่งเสริมประเทศชาติบ้านเมือง เ, อเป็นผู้ให้ความสุขความเจริญต่อประเทศชาติคนนั้นทคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองรมเย็นเป็นสุขในขณะที่เขาอยู่มือเขาสะอาดนะเิ่งเหล่านี้เราน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามากกว่าที่ คนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอ น, นั้นไม่ดีอย่างที่ท่านกเกษมพูดเมื่อวานท่านองค์ข้มนตรีท่านบอกว่าคําว่าเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีนี่คือเป็นคนดีท่านว่านท่านพูดเมื่อวานเศรษฐีนี่คือคนดีคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยมีใจกว้างขวางมีใจโอบอ้อมอารีและก็ตั้งโรงทานในสี่มุมเมืองและก็ตั้งโรงทานในหน้าบ้านของตนเอง แล้วก็เลี้ยงคู่เลี้ยงคนที่เดินผ่านเดินทางผ่านมาด้วยความหิวกระหายโดยที่ไม่มีเงินซื้อพวกเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้มีน้ําใจเลี้ยงดูคู่คนทั้งหลายนี่แหละคําว่าเศรษฐีคือเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมนี่แหละคําว่าเศรษฐีเศรษฐีนี่คือคนดีนะไม่ใช่คนคนที่ไม่ดีนะในหลัก ที่ในหลักบาลีท่านพูดเมื่อวานนี่ฟังฟังก็น่าฟังของท่านเหมือนกันนะอาต่อนี่ไปรับพรในเส น, นนะคณะตา ญ, ญาติโยมลูกหลานมาวัดกันนั่นหละหลวงพ่อเป็นหลวงผูหลวงตาหลวงปู่หลวงตาก็อนให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานนำไปคิดเวเซินำไปพิจารณาดูซิมันถูกต้องมันเป็นธรรมไหมนี่แหละให้เป็นทางใครเข้า่าชี้น ที่แนวทางให้ลูกหลานได้เลือกในการในการคิดในการพูดในการทำสรุปแล้วก็คือให้เป็นคิดดีทำดีพูดดีนั่นะนะนะคิดดีทำดีพูดดีนะ